วันใดนั่นหุ่นจะนิบِ ا ل ิ أ อ ي ْมันว و َ قرب นั่นหุ่นเَียแَะวะหับนั่นเลหุมิรรหมตินَอัช ه ะฮุฮารุ นบีอาว๊ะกุรฟิลกิตา بإسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا و َكَانَ ي َ م ُ ر ُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ ع ِ ن د َ رَبِّهِ مَرْضِيًا و َ ذ ْ ك ُ ر ْ فِي الْكِتَابِ إ ِ د ْ ر ِ ي س อินทร์เขาเป็นศิษย์ ر องนบีและเราฟังเขาเปَนการอัลัยะบิสมิลลาฮิ ррахмани ррахиим อินนัลฮะมดุลลอฮ์นะฮ์มดุลฮ์และนัสต้าอินฮ์และนัสตัก วะ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضللة وما يدلل فلا هادئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و ر س ا ل ل ه بيك أ ص ب ن ا وبك أ س ي ن ا وبك ن ح وب ك ن و ت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 รด ب ا ุ ب ิลลาฮิรับบะวับ ل ลิสลามดี ا ่าวับิมุ ا ัมมัดอิลล ذ สโวละอัลลอฮุม ا อินีอาอ ن ซุ ا ิค์มินักสล์ล์วัสู ق ิลคิบรีรับบะอาอูซุบิค์มินัฎบิมฟินนาร์วัฎบิมฟินลับร์ ตีรักทุกท้องถิ่นอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณ Allah سبحانه และ تعالى ที่เราได้มีโอกาสมาทำนำมาด ร, ร่วมกันกันกบจะมาที่บ้านของ Allah ที่มัสยิดของ Allah سبحانه และ تعالى ขอบคุณ Allah ที่ได้เห็นลูกๆแ ล, ละหลานมาเข้าค่ายอบรม <c oughs> จำนวนเกือบสามร้อยคนนะครับซึ่งการทําหน้าที่อันนี้นพอเราเป็นห่วงเ ย, ยาวชนรุ่นหลังเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยในสุร้อนนี้แหละนะในสุร้อนี้เนี่ย <c oughs> พูดเอาไว้ที่อัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนศาสนาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์เป็นห่วง อายาที่ห้าสิบเก้าเนี่ยนะต่อไปนะวันนี้เร า, เราอ่านมาถึงอายาที่ห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเนี่อยอายาที่ห้าสิบเก้านีพูดบอกว่าคนที่มาที่หลังผู้ท่านเนี่ยนะมาถึงลูกลูกห ล, ลานของเราเนี่ยต้องดูแลให้ดีสิ่งถ้าหากดูแลไม่ดีนี่นะลูกหลานของท่านเนี่ยเขาจะทิ้งนํามา พอทิ่งนมาศเนี่ยไม่มีอะไรมาควบคุมอารมณ์เขาจะปฏิบัติตามอารมณ์นี่พวกเราวันนี้ที่มานั่งอยู่ในมัสยิดได้เนี่ยพวกเราควบคุมอารมณ์เราได้นะจนกทั่งอารมณ์ของเรานะเป็นอารมณ์ที่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วคนที่ไม่ได้ฟังศาสนาเนี่ยคนที่นมาศไม่ติดเนี่ย เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เขาได้เลยนะยิ่งไม่ฟังศาสนาด้วยโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะเอาขอทูลาตอัลลอ์นะครับให้การทำความดีของของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่นะครับเป็นที่ตอบรับนอะัลลอ์สุบฮานาูวาตาลขอบคุณอัลลอ์นะที่เราได้นมาซูบโบเซก็ อาทิตย์ละครั้งเฉพาะวันอาทิตย์เราก็เอากุรานี่มานั่งทบทวนเอากุรานี่มาอา่านแล้วก็มาทบทวนหาความรู้ถามว่าเพื่ออะไรเพราะว่าความรู้เนี่ยศา ส, สนาอิสลามนี่นะไม่ใช่เริ่มจากความโง่นะอิสลามเนี่ยเริ่มจากการศึกษาพี่น้องนึกสิอายะแรกที่อัลลอฮ์ประทานลงมา ให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดตอนท่านนาบีอยู่ในภูเขาไฮรอรับวะฮีอายาแรกก็คืออิกรออิกรอนี่แปลว่าอะไรจงอ่านแสดงว่ า, าศาสนาอิสลามเนี่ยเริ่มจากการอ่านเริ่มจากการเริ่มจากคนรู้สอนให้เป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่านหนังสือคนควา้า ทีนี้หนังสือวันนี้เนี่ยมาต้องไปหาที่ไหนแล้วคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้แหละนะที่จะพาเราพบกับอัลลอฮ์สุพานทตาลอายามสง่างามเราทบทวนกุรอานมาถึงอายะที่ซูร์มัตยามซุร์ที่19เกเพราะในกุรอานมีทั้งหมดหนึ่งรบี่ซูร์เราก็ค่อยๆ อ, อ่านกันไปพี่น้องจนกว่าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตกลับนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วันนี้เรามาถึงอายาที่ห้าสิบสองอายาที่ห้าสิบเอ็ดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องนบีมูซาวัดกุศฟิลกิตาบีมูซาอายาที่ห้าสิบเอ็ดนี่ยอัลลอฮ์บอกกับว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงเล่าเรื่องราวของนบีมูซาตามที่ ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดเออจงนําเอาเรื่องราวของนบีมูซาเนี่ยเล่าให้อุมมาของนบีมุฮัมมัดนี่ฟังทําไมตัวเอาประวัติของนบีมูซามาเล่าล่เพราะประวัติของนบีมูซาเป็นประวัติที่มีข้อเตือนใจคนที่อ่านคุรอานมีข้อเตือนใจเยอะมากเลย เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ชมนบีมูซาว่าในอินนาหูกาในมุคลาซอนแท้จริงมูซานั้นเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นคนที่อัลลอฮ์เลือกเป็นคนที่อัลลอฮ์คัดสรรหรือเลือกมาอย่างดีนะให้ได้รับสารของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ส่งนบีมูซาเนี่ยไปสอนศาสนาให้กับชาวบานีอิสลาม ว่กาการนักรสู้นันนบี <c oughs> มูซาเนี่ยเป็นรสูลด้วยแล้วก็เป็นนบีด้วยอาพี่น้องคงจะได้ยินคําว่านาบีกับรซู้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่เป็นข้อเตือนใจทั้งหมดนะนบีก็คือมาทําหน้าที่สอนอย่างเดียวแต่ไม่มีคำพีติดมือมาสอนอย่างเดียวส อ, สอนสอนสอนดะว่าดะว่าดะว่าอย่างเดียว ส่วนรอซูลเนี่ยได้รับคำภีรด้วยแล้วก็มีหน้าที่สอนศาสนาด้วยมีสองนาสองอย่างนะรับคำภีร์มาด้วยแล้วก็มีหน้าที่สอนด้วยฉะนั้น <c oughs> จากกุณอ่านอายะอื่นนะอธิบายอย่างนี้ที่อลัลลอฮ์แต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งนบี หรว่าบรรดารอซูลส่งมาบนโลกนี้เนี่ยนะถามว่าส่งมาเรื่องอะไรมาเตือนอส่งรอซูลส่งนบีมาเนี่ยมาสอนมาเตือนเตือนให้ล้ำลึกถึงอะไรถึงวันตอบแทนในโลกอาขี้ก็นี่อรอดจอะจงเลยนะครับเลือกนบีขึ้นมาเลือกรอซูลขึ้นมาให้รอซูลและนบีเนี่ยสอนกับประชาชนให้มาพูดมาเตือน เรื่องอะไรเรื่องโลกอะคีรอเรื่องการตอบแทนในโลกอาคีรอทำไมถึงเงลือกมาล่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนยะแม้แต่คนมุสลิมเรานี่แหละไม่ค่อยได้พูดเรื่องโลกอาคีรอเท่าไหร่ใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องโลกดุนยาโลกดุนยานี่นะนบีพูดยังไง ร, รู้เปล่าอัดดุนยาคอเดรอตุนวาหุลวาโลกดุนยานี่นะมัน มันอร่อยมันหวานโลกดุนยาเนี่ยมันเขียวขจีฉะนั้นคนที่อยู่อยู่ไม่นึกถึงโลกอาคิรอ์เลยนะแล้วไม่มีคนมาเตือนให้นึกถึงโลกอาคิรอลเนี่ยหลงดุนยากันหมดพอดุนยามันเข้าเลยวาแปลว่าสวีทคอดิรอลแปลว่าเหมือนกับทุ่งหญ้าละเขียวสวยพอย่มันแล้วก็มันเพลิน ทีนีตัวแทนของโลกดุนยาน่มีอะไรบ้างสรุปมีอยู่สี่ข้อหนึ่งเงินนะมีเงินมีริสกีมีปัจจัยยังชีพนะมีทรัพย์สินเนี่ยเป็นดุนยาทั้งหมดเป็นตัวแทนของดุนยาแล้วก็ชื่อเสียงเกียรติตําแหน่งใช่นี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาแค่นี้เอง แล้ววันนี้คนส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีมาเตือนตักเตือนพวกเราให้นึกถึงโลกอาคือร้อนนะหลงดุนยากันหมดถามว่าหลงดุนยาดีไหมอลัลลอฮ์บอกว่าไม่ดีในคัมภีร์คุณอ่านเตือนอย่าหลงดุนยาเพราะดุนยามีวันหมดอายุสุวรรอามันทิซอลและอามานูคนที่เชื่อโลกอาคือร้อนไม่มีวันหมดอายุ อขอเตือนอีกนิดนึงให้กันลัางใจพี่น้องสุราะเล็กๆที่เราอ่านใ น, น, นหัวเล็กอะวัตตีนิวัดใจวัตตีนิวัดใจตูนวัตุริศีนินวะฮะจัลบละลาดิลอามีนแ ล, ล้ก็ดคาลาคนาอินซาณฟิอัลฮะนิตักวีมตรงนี้แวอะไรแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สวยมาก เอาล้อชมว่าสวยซุมมารอดาเดนาหูอัสวะลาซาฟิลินแล้วก็ต่อต่อมาเราก็จะนำเขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำและตกต่ำยิ่งเนี่ยพอแกพอเขเป็นเด็กก่อนแล้วก็หนุมหนุมแล้วก็ขาลงทันนี้ลงลงลงจนกระทาั่งแย่ไม่สบายใช่ไหมยกมือก็ไม่ไหวสายตาก็ตรงโอ้ใช่ไหม เนียังดีนะทำเลาอยุหกสิยังแข็งแรงยังไปไหนมาไหนได้แต่ว่าเริ่มเสื่อมแล้วสติปัญญาสมองเริ่มเสื่อมเพราะคุรานพูดอ่ะซุมมารอดาดนาหูอฟัฟฟาราซาฟิลินเราจะทำให้ร่างกายของเขานะครับทุกส่วนของร่างกายในะเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เสื่อมอินลารีนาอาแมนูโอ้โหอ่านตรงนี้เราสบายใจนะ ยกเว้นของที่ไม่เสื่อ ม, มก็คืออามานูหัวใจที่อีมานต่ออัลลอฮ์นี่ไงแหวนมิลุซอเลฮัดแล้วก็ความดีที่เราทําเอาไว้เนี่ยเช่นนมาศอา่านคุรานซิกุลลอสมามัสยิด ต, ติดต่อกับที่น้องแล้วก็ให้อาภาัยความดีที่เราทํานั้นเรียกว่าอามันติซอแล้วไม่มีวันหมดอายุอ่ะอาจาร์ต่อไปอีก ฟะลาหุมอาจุรุนไรรุมมัมณุนฟะลาหุมอาจุรุมไรรุมมัมณุนสาหรับเขาเหล่านั้นคือคนที่มี إ ي م านต่อหลล่อเนี่ยนะคนที่มีอมามันติซอแล้วเนี่ยนะอาจรุนเขาได้รางวัลไยรุมมัมนูนไม่มีวันหมดอายุได้รับตลอดถึงแก่แล้ว ไปไหนไม่ไหวแล้วนอนอยู่บนที่นอนก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอสุภาณา ว, ตวะตาฮาลานี่ไงพออ่านตรงนี้ปั๊บนี่เราสบายใจอลัอลลอฮฉะนั้นตอนหนุ่มๆสะสมความดีเอาไว้เยอะๆนามาดเ ย, ย, ย, ยอะ ๆ, ๆอ่านกุร์เยอะล่าเยอะๆอานนบีสรุปอีกนิดหนึ่งมิสเนีอนมัดอยู่สองอย่างที่คนส่วนใหญ่เนี่ยลืมนั่นก็คือ อาเสีะตอนมีสุขภาพดีตอนนี้มีสุขภาพดีใช่ไหมมานั่งอ่านตับเียกันมานั่งอ่านหนังสือกันมาอมานามาวันศุกร์มาฟังครูตูบะอยู่บ้านอัลลอฮฺอัลกับารทำแต่ของดีๆใช่ไหมตอนมีสุขภาพดีเนี่ยคนส่วนใหญ่ลืมแต่พวกเราไม่ลืมเพราะเรานึกตลอดเวลาวันฟารอตอนมีเวลาว่างนบีบอกว่าตอนมีเวลาว่างเนี่ยอย่าลืมนะอย่าให้เนี่ยมาดอันนี้เสียหายนะ ฉะนั้นเราก็เอาลูกหลานเรามาเรียนค่ายภาคเราดูร้อนก็พอมีเวลาว่างนี่ถ้าอยู่บ้านน่ะทำอะไรปานนี้ยังนอนไม่ตื่นเลยใช่หรือไม่ใช่ทุกบ้านพอๆกันหมดแล้วทำอะไรเล่นเกมขีมอเตอรไสค์ยิงสงการเรียบร้อยถุชอตอนพา อ, อยู่ห้องนอกหมดเลยเราเป็นห่วงอ่ะฉะนั้นเวลาว่างกับมีสุขภาพดีเป็นเนี้อมัดที่เราจะต้อง ตักตวงความดีนะครับเพื่อความดีที่ไม่มีวันหมดอายุนี่ไงตักตวงเอาไว้นะอามันติซอแลกกับอีมานสองอย่างนะครับเอาวันนี้ขอบคุณเราเรามาถึงอายาที่ห้าสิบสองวันาได้นาหูมินจานิบิตรุลไอมันวันาได้นาหูมินจานิบิตริลไอมัน <c oughs> และเราได้มาถึงอัลลอ์เนี่ยได้รอ้องได้ได้ร้องเรียกได้เรียกนะเรียกใครครับเรียกนบีมูซาเรียกมูซามินยานเบตูริลไอมันจากด้านจากทางด้านขวาของเขาคือเรียกนบีมูซานะเรียกด้านขวา ด้านขวามื อ, อไม่ใช่ซ้ายมีเอาขวาก่อนเนี่ยเล่าเองนะฉันได้เรียกนบีมูซาตอนที่นบีมูซาเนี่ยพาภรรยากับประเทศอียิปต์กลางทางเนี่ยมันหนาวนบีมูซาบอกเธอนั่งอยู่นี่บอกภรรยานั่งฉันจะไปเอาไฟพอเดินไปพอถึงไฟป๊บอลัลลอ์เรียกเลยอยามูซามูซาเอ๋ย Allah แต่งตั้งให้มูซานั้นเป็นนบีเป็นรอซูลของ a l ล a h Allah เล่าเองว่าก็รับหนาฮูนาจีและเราได้ให้เขาให้นบีมูซานี่ก็รบนะับหนาแปลว่ามาอยู่ใกล้ชิดกับเราเราได้ทําให้นบีมูซานี่มาอยู่ใกล้ชิดกับเรา มาอยู่ใกล้ทําไมนาจียาเพื่อบอกความลับนาจียานาจียานี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าลับสนทนาแบบลับลับคุยกันแบบลับลับอย่างเราที่เรานมาดเนี่ยเขาจะว่ายูนาจีรบบาหูเขากําลังคุยกับอัลลอฮ์แบบลับลท่านคนที่ยืนหนามาดคนที่รุกัวคนที่ซูยูดเนี่ยเขาจะบอกคนคนนี้กําลัง สนทนากับอัลลอ์แบบลับๆแฉะนั้นอัลลอ์นี่นะเมตตานะเล่านะกคพีกุณอาวะฉันนี่แต่งตั้งน บ, บีมูซาเรียกน บ, บีมูซามาอยู่ใกล้ฉันเพื่อที่จะบอกของลับๆให้ฟังใกล้ขนาดไหนตับซิดอธิบายดีนะใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดนี้ฮัตตาซามีอาซอรีฟัลกลัมใกล้ขนาด ให้เขามาอยู่ใกล้จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงดังของปากกาอา้าวมีคนเขียนหนังสือใช่ไหมเราได้ยินเสียงเขียนเลยเน่ยนั่นแหละใกล้ขนาดนั้นน่ะแสดงว่าใกล้ามากเลยมาอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮฺเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนบีมูซาก็ถามแบบท่า น, นาคือใครอ่ะมาแต่งตั้งฉันทห้ทำนั่งทำนี่แล้วก็อยู่ใกล้ชิดอยากเห็นหน้าอัลลอฮฺบอกว่ า, วาคุณเห็นหน้าฉันไม่ได้อ่ะ อยากเห็นน่ะมาแล้วอ้าอยากเห็นยินอาจ้องจ้องจองมองไปที่ภูเขาพอมองไปที่ภูเขาอัลลอฮ์ให้มีรัศมีมาที่ภูเขาพอเห็นบรัศมีมาปั๊บตอนนั้นแหละสลบเลยพอฟื้นขึ้นมาฉันยอมแล้วในคุอ่นอานาย่อื่นนะที่บอฉันยอมแล้วว่าฉันเนี่ยเห็นประเหต์อัลลอฮ์ไม่ได้บนโลกดุจยาไปนี้นี่อัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมูซาพี่น้องนี่ไงเขาเรียกว่ามูซากาลีมุลโล โมซาเนี่ยอัลลอฮ์ตัดกับ น, นบีมูซาตรงๆเลยนะไม่ได้ผ่านใครเลยนะตัดกับ น, นบีมมซาตรงๆเอามาพูดถึงเรื่องได้ยินเสียงของปากกาเนี่ยไม่ใช่นบีมูซาคนเดียวนะนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันตอนท่านนบีขึ้นมนี่ยรออิสระมีอรอนะครับขึ้นไปบนชันฟ้านี่ไปรับอะไรนะไปรับอุวาฮินะมาดมาเนี่ยไปอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จกนกระทั่งนบีได้ยินเสียง เสียงของปากกาเลยเสียงเขียนของปากกาอ่ะทีนี้น <c oughs> ตัพซิดอธิบายบอกว่าละ ม, มากรบัลลอฮฺมูซานาจียันเมื่ออัลลอเอาท่านนบีมูซาเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอที่ภูเขาตูดนี่นะภูเขาซีนายตูดเนี่ย วกอลายมูซาอัลลอฮฺพูดกับนบีมูซาอัลลอฮฺาตรัสกับนบีมูซาว่าอย่างนี้ขอลักตูลลักกฉันนี่นะทําให้ท่านเนี่ยมีหัวใจที่ชากรอนหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮฺในในในตัวในในทุกอ่นานไม่มีนะแต่ทับซีนอธิบายว่าอัลลอฮฺบอกกับฉันเนี่ยทําให้คุณเป็นคนที่มีหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮฺ ข้อที่สองวาลิซานันจากิรอนนี่เป็นเรื่องลับเลยนะที่อัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาวาหิให้กับมูซาคุณนั่นเป็นคนที่มีลิ้นที่ร้ำลึกถึงอัลลอฮ์สองข้อใหญ่ๆแล้วนะหนึ่งหัวใจที่ <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์ลิ้นที่ร้ำลึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์วาเจ้าจะตันซอเลฮะตันและคุณเนี่ยมีภรรยาที่ดี ที่คุณพาม้าเนี่ยนะที่อยู่กลางทะเลสาบนั่งอยู่คนเดียวที่นั่นเนี่ยเจาจะตั้มซอเลขาตันภรรยาที่ดีช่วยเหลือคุณในความดีนี่ฮะดีอธิบายไว้สามเรื่องนะที่อัลลอฮ์บอก <c oughs> กับนบีมูซานะสามเรื่องดีมากเลยนะห <c oughs> น, <c oughs> นึ่งนฉะันนี่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีลินที่ดำลึกนะครับลินดำลึกถึงอัลลอฮ สองมีหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์สามมีภรรยาที่อะไรนะช่วยเหลือคุณในเรื่องของดีๆจากนี้นอลมอฮ์มอธิบายต่อว่าคำว่าลิ่นหัวใจแล้วก็ภรรยาที่ดีเขาอธิบายเรื่องเดียวเรื่องภรรยาภรรยาที่ดีอธิบายยังไงภรรยาที่ช่วยสามีในทางที่ดีเช่นจัดน้ำให้สามีไว้อาบน้ำนำมา พร้อมก็เอาแปรงสีฟันเตรียมเอาไว้แบบช่วยนบีท่านหญิงไอซาท่านหญิงภรรยนานบีทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยนบีทุกันทุกคนนี่แหละช่วยนบีด้านความดีก็คือหนึ่งเตรียมน้ำนำมาาสํชำระไม่อาบน้ำนำมาแล้วก็แปรงสีฟันให้ท่านนาบีข้อที่สองจัดเสื้อผ้าสะอาดสะอาดให้ท่านนาบีใส่นี่ภรรยาช่วยด้านนี้ อันที่สามช่วยปลุกสามีให้ตื่นเพื่อนมาตอนดึกข้อที่สีให้กำลังใจนะครับเตือนสามีให้นึกถึงโลกอาคีรอยิ่งสามีทำงานศาสนาก็ให้กำลังใจทำเถอะอัลลอ์จะตอบแทนรางวัลที่ดีให้ตัวเลว่าด้านศาสนาเนี่ยนะภรรยาที่ช่วยสามีดูแลศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอ์เนี่ยใครมอบให้ a l l มอบให้กับนบีมูซาอะลัยฮสสลามแส้งเราเองก็เหมือนกันวันนี้ไม่ใช่มอบเฉพาะนบีมูซานะพวกเราวันนี้ a l l a ก็มอบภรรยาที่ดีให้นะอ้าวปลุกพี่พี่อ้าวนี้จะไปฟังตซีไม่ใช่ลลูกตื่นลูกตื่นหน่อยรียเรตื่นอย่างงี้ดีไหมอัมลฮมลลลาดีมากๆเลยขอมาต่อ a l l นะครับพี่น้องอ้าวนี่เรื่องหนึ่งนะครับแตนี่นบี อัลลอฮ์บอกกับ น, นบีมูซาอีกว่าถ้าหากคุณไม่มีอะไรนะคุณมีแค่นี้นะคุณโชคดีแล้วคุณมีแค่นี้แหละมีอะไรนะมีภรรยาดีแล้วก็ลิ้นคุณเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์นะอย่างอื่นคุณไม่มีนะคุณไม่ต้องไปเสียใจสามสามสา ม, สามประการ น, นี่พาคุณเข้าสวารรค์ได้อย่างได้แล้วห้ามเดี๋ยวนี้แล้วถ้าวัดตัวอย่างอื่นมันขาดบาทไม่มีรถไม่มี ที่ดินไม่มีไ ม, มไม่มีปัญหาพอสามข้อนี้สามารถพาคุณไปสวรรค์ได้แต่มูซาอยู่ในอยู่ในพระราชวังนันหลอแค่ไหนไม่ต้องสร้างด้วยใครสร้างให้ฟาโรสร้างอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาอายาที่หสววิบสอหาสบมวาวาฮบนาเลหูมิรร่ห์มัตินาอัครูฮารูนานาบีย วาฮาบนาละหูอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่านะเราได้ประทานวาฮาบ้าเนี่แปลว่าให้นะครับวาฮาบ้าเนี่แปลว่าให้ฮับลานามินอัจวะจินาวดูริยาจินากุรอรต้าอายุนโออัลลอฮ์โปรดให้ให้ฉันภรรยาฉันลูกหลานฉันเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเราขอตลอดเวลาวาฮวาบนาละหูและเราได้ประทานแก่มูซา่า ประทานอะไรครับมิรฮมาตินาจากความเมตตาของเราอย่าลืมนะเมตตานี่อัลลอฮ์ยิ่งใยญนะอัลลอฮ์ได้ประทานให้กับ น, นบีมูซาจากความเมตตาของเราให้อะไรครับอาคอหูพี่ชายของเขาชื่ออะไรพารูนให้เป็นอะไรให้เป็นนบีนี่หลังจากนบีมูซาขอดูอานะ แต่อลัลลอฮ์ไม่ได้เล่าในตัฟซิดอธิบายบอกว่าน บ, บีมูซาเนี่ยเป็นคนที่พูดจะไม่ชัดเหมือนกระติ๊อ่างอะ่ะเล่นเนี่ยพูดแล้วไม่ชัดชัดแต่ฮารูเนี่ยพูดเก่งในตัฟซิดอธิบายว่าทําไม่อัลลอฮ์ไม่แต่งตั้งฮารูเป็นนบีและให้นบีมูซาเป็นเป็นผู้ช่วยอลัลลอฮ์ไม่ทำอย่างนั้นที่อลัลลอฮ์เลือกมูซาเพราะมูซาใจาสะอาด ส่วนฮารูนเนี่ยเก่งใจก็สะอาดแต่ว่าเก่งได้พูดอย่างเดียวแต่ใจสู้นบีมูซาไม่ได้ทีนี้อัลลอฮ์แต่งตั้งฮารูนให้มาเป็นผู้ช่วยของนบีมูซาเพื่อเผยแร่ศาสนาทีนี้หลังจากนาบีมูซาขอดูานะอานจะมีทิ่วาขอดูาอย่างนี้ในกรุงอ่านในย่าอื่นรับบิชราฮีซอดรีโออัลลอฮ์โปรดว่าปวเปิดทัวใจของฉัน วายเซลีอัมรีให้กิจการของฉันเนี่ยง่ายได้วะรุลอุกดาตัมบิลลีซานีให้ฉันเนี่ยพูดจาคล่องคล่องยัฟโกหูเกาลีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจคําพูดของฉันวายาลีวาซีรำมินอาลีแล้วก็โปรดทรงคนในครอบครัวของฉันนี่นะมาช่วยฉันเป็นอะไรนะเป็นวาซีดนะ เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยช่วยเหลือฉันในการเผยแพร่ศาสนา น, นบีมูซาขอนะขอฮารูเนี่ยแกกว่านบีมูซาสองสามปีอายุเยอะกว่านะครับพูดจาคล่องแคล่วมากนะครับเสร็จแล้วอัลลอ์รับไหมนี่ไงวาวาฮาบนาละหูเราได้ประทานให้แกมูซาอันเนื่องมาจากความเมตตาของเราเนี่ย คือฮารูนให้เป็นนบีเป็นพี่ชายของเขาเพื่อช่วยในการดา ว, วะตับลีกสอนศาสนาอิสลามในสมัยนบีโมซาขอและอัลลอฮ์รับเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไมเรียกว่าขอทำงานในทางที่ดีบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอ่ะจะต้องขอทำไมทำคนเดียวไม่พอเด้อโอ้ไม่ใช่ทำงานศาสนานี่อย่าลืมนะ อัลลอ์แต่งตั้งมูซาไปหาใคร <laughs> ไปหาฟาโรนะ่ะและฟาโรน่ะเบาน่ะอ๋อหยิ่งกับอเมริกาสมัยนี้อีกยิ่งกับยิวอีกอ่ะแต่อัลลอท์ส่งมูซาและอีกคนหนึ่งอผู้ช่วยฮารูนเท่านั้นเองอ่ะสำเร็จสาเร็จยิ่งกว่าอเมริกายิ่งยิวอีก k, ใช่ไหมใหญ่ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าอัลลอฮ์ปราบได้โดยใหน้นบีมูซามาออามาดูกุรานอะไรอื่น พอแต่งตั้งนบีมูซาให้เป็นนบีให้ไปไปหาฟาโร่นบีมูซาพูดอย่างนี้กอแล้วรอบบีมูซากล่าวว่าข้าแต่พระผู้บันปรานของฉันอินนีก็ร์ตัลตูมินหุมนับซาฉันได้ฆ่าพวกเขาตายไปคนฟาอัคโฟุไอยักตูลูนฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉัน นเรื่องในใจหมดเลยเล่าให้ฟังอลัลลอฮ์แต่งตั้งฉันไปหาฟาโร่เพราะฉันนั่นแหะฆ่าพวกฟาโร่ไ้คนหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยท่นกลัวเขาก็จับโปฉันฆ่าว่าอาคีฮารูนหัอับซาฮุมินนีลีซานั่นเมื่อต้องการจะบอกว่าแต่งตั้งมูฮารูนไปเพราะฮารูนนั้นเป็นคนที่มีชัดถ้อยชัดคํากว่าฉันในการเจรจา ฉันไปเนี่ยพูดไม่ชัดอยู่แล้วถ้าพี่ชายฉันเปเจรจากัฟาโรเนี่ยมันใช่ใช่ภาษาดีกว่าชัดถ้อยชัดคำคำกว่าฟาอัซิลฮูมาไอริดอนันฉะนั้นอัลลอฮ์โปรดทรงเขาเป็นผู้ช่วยนะของฉันด้วยเถิดเพื่อเขาใจได้ยืนยันว่าฉันนี่จะทำงานศาสนาแล้วแต่ฉันยังกลัวกลัวเขาอยู่ พอภาษาตัวนี้ออกมาปั๊บนี่นะเราบอกว่าที่มือของคุณมีอะไรกวกไม้ตะพดนี่ไงนี่ไงนี่ไ ง, งไอ้ไม้ตะพดนี่แหละเป็นอาวุธประจําตัวของคุณเอ้าโยนไปสิพอโยนภาพกลายเป็นงูมังงูซากรวยอีกอ้าจับจับพอจับภาพเป็นไม้ตพธพอโยนกลายเป็นงูนี่ไงอาวุธติดมือของนบีมูซา จากอาย่านี้เนี่ยอุลมะก็อธิบายว่าทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้เนี่ยมีของดีอยู่ในตัวคนละอย่างละอย่างขอในบีมูซามาตโพธเราของเราอะมีไหมมีคนให้เป็นเนี่ยคนได้เจอเนี่ยอัลลอฮ์ชี้นำนะมาตโพธนะอาวุธทั้งคุณเราคุณจะเหลือมีของดีเยอะอามาสยา น, นึงที่จะพาเราไปสวรรค์พาเราที่ไปหาอัลลอฮ์อาวุธนี่แหละที่จะ ที่จะเรียกร้องคนส่วนละส่วนละส่วนทุกคนมีของดีอยู่ในตัวดูกันนอุลมามะพูดนะอัลฮัมดุลลาไดสติปัญญาได้ได้ความได้ความรู้เพิ่มจากการที่ว่าเอาในดีมูซาเป็นเครื่องคำอธิบายนะครับเอาต่อมาครับว่าอัครูฮารุนนายฮารุนน้านายยนะครับขออนุอาต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺรับและอัลลอฮฺก็แต่งตั้ง ให้พี่ชายของนบีอิสมาหะทาบีมูซานก็ชื่อฮารูนนั่นเป็นนบีสอนศาสนาช่วยนบีนะครับมูซาอะลัยฮิสลาラ <c oughs> ความจริงเรื่องราวของนบีมูซาน่ะพ เ, เราเราเรียนกันมาแล้วนะแต่มันก็ต้องนึกอยู่ตลอดเวลาให้มันอยู่ในสมองอยู่ในความสนใจของเราพอมาพูดเรื่องนบีมูซาจบอัลลอฮ์พูดเรื่องนบีอิสมาอีนต่ออาเพื่ออะไร ผมเคยพูดว่าไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็จะนึกนู่นนึกนี่ใช่ไหมล้วนึกของดีๆทั้งหมดออามาดูกูรอาอายาที่ฮาซิฟซีว่าครฟิลกิตาบอิสมาอิลอินนุคานซาดิกล้วานวกานะรุสุลนะบิยะ วัดสุกุร์ฟิลกิตาดิอิมาและมูฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวถึงอุษุกุเนี่ยจงกล่าวถึงนะครับเรื่องราวของใครอิสมาอินอยู่ที่ปรากฏอยู่ในฟิลกิตาบอยู่ในคัมภีร์คือเล่าจากคัมภีร์คุรานนี้แหละนะที่อัลลอฮประทานประทานมาให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยเอาไปสอนต่อ นบีอิสมาอินเนี่ยเป็นยังไงอินนหูกานาแท้จริงอิสมาอิ น, นั้นเป็นคนที่ซอดิกอลวาดีซอดิกแปลว่าซื่อตรงนะครับตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังซอดิกนะซิ ด, ดีกเหมือนกันอัลวาดะแปลว่าสัญญาอัลลอฮฺอักบารนบีอิสมาอินเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺชมนะ แท้จริงอิสมาอลนั้นเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ซื่อตรงกับสัญญาและยังไม่พอวะกาหนาโรซูละนาบีและเขาเป็นรอซูลแล้วก็เป็นนบีด้วยสองตำแหน่งเลยเหมือนนบีมุฮัมมัดสรลลัลในอัติมนะจับเส้อธิบายอย่างนี้ครับอิสมาเอเนี่เป็นต้นตระกูล คืออิบรอฮิมเนี่ยเป็นเป็นพ่อมีลูกชายสองคนอิสมาอีนคนหนึ่งกับใครนะกับอิสฮาคคนหนึ่งนะครับส่วนอิบราฮีมเนี่ยส่งอิสมาอินมาอยู่ที่นครมักกะกับภรรยาชื่อนางฮะยัดเนี่ยที่มาสร้างเมืองมักกะปัจจุบนันนี้นั่นแหละเป็นตระกูลของชาวอาหรับแต่เป็นลูกหลานของใครนบีอิบราฮีมเหมือนพวกบันิอิสรออินเหมือนกันแต่แยกเป็นคนละสาย ใช่ไมแต่ที้วันเนี้ยคนยิวไ ม, ไม่ยอมรับอาหรับทั้งทเป็นพี่น้องกันอนะ่ะพี่กับน้องใช่ไหมลนะ่ะมาว่ายิวดีกว่าอิสราเ อ, อลนดีกว่ายุโรปดีกว่าไม่ใช่เป็นพี่กับน้องออร์ลสเป็นพี่กับน้องเฉพนี้ถามว่า <c oughs> นาบีอิสมาอิลเนี่ยคิดสกุลลเท่าไหร่ในต๊กเซภาษาอูรดูอธิบายดีนะเอ่อตั้งแต่ 1937-2074 มสน บ, บีอิสมาอินมีอายุหนึ่งอยกสสปียอนรานี่แปสิไปแย่แล้วทำอยู่แล้วลถึงขอดูอานะ่ะอัลลอ์เมือินนีอาูบกมินัลกซลิวซูอิลกีบารโอ้อัลล์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากอายุแย่แล้วแกแล้วหลง นี่หนึสาเจปีเนี่ยยังเดินเปรียวเลยเอา้าถูกแต่งตั้งให้เป็นอบีอยูมไหมาสอนกลุ่มไหนหรู้ไหมกลุ่มยุทยัดหุมกลุ่มยัดหมุมยัดหุมเนี่ย <c oughs> เดิมเป็นคนเยเมนเป็นคนยามานียมามันนีนะอยู่ข้างๆซาอุดีนั่นแหละแล้วก็อพยพมาอยู่ที่นครมาดีนะ ล l l a h แต่งตั้งนบีอิสมาอินให้สอนคนยูรุมอยู่ในนครมักกะที่ทั้งหมดเนี่ยมาสอศาสนาพวกเขายังเป็นอาดับที่บริสุทธิ์แท้ๆในนั้นเป็นชาวอาดับแท้ๆนะครับทําไม Allah จึงชมว่านาบีอิสมาอินเป็นคนที่ซื่อตรงรักษาสัญญามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนบีอิสมาอินเนี่ยนะ <c oughs> มีคนพูดบอกว่าเดี๋ยวฉันมานจะมาพบคุณอิสมาอินยืนรอนาะวันกับคืนหนึง่งไม่มาพอมาก็วากอ้าวคุณยังเยอะอยู่ที่นี่นะบยืนจะมาวัดเนี่นะ่ะคุณสัญญาว่าจะมาหาฉันเนี่ยนี่อลลอชมเป็นคนดีมากเหมือนกันนบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันมีชายคนหนึ่งพูดบอกว่าเดี๋ยวฉันมา มูฮัมหมัดรอรอรออยู่ตรงนี้นะ่ะแล้วคนนี้ไปมันก็ลืมไปเลยสามวันน บ, บีมาวันที่สามน บ, บีก็ยืนรออยู่ตรงนี้พนวะานี่มูฮัมหมัดยังยืนรออยู่สามวันแล้วเนี่ยคุณสัญญากับผมอ่ะไปไหนก็ไปไม่ได้ก็รอคนอยู่นี่เห็น ไ, ไหมฉะนั้นมีน บ, บีอยู่สองคนแล้วที่เอาลอดชม น, กนักุญอุานคือน บ, บีอิสมาอินกับน บ, บีมูฮัมหมัดที่ซื่อตรงต่อสัญญาเห็น ไ, ไหม และอีเรื่องหนึ่งมีคนอธิบายดีตั้มซีอธิบายอย่างนี้ <c oughs> ที่คุณพ่อเนี่ยนาบีอิบรอฮมิมาเยี่ยมนานๆมาเยี่ยมลูกทีนะมาใช่มากระทุกอาทิตย์นะยคุณพ่อเนี่ยพูดภาษาอะไรอะแล้วก็คุณลูกเนี่ยนาบีอิสมาอินพูดภาษาอาหรับเนี่ยคุยคนละภาษาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอะต้องให้แม่เป็นล่ามอะ เห็นเปล่านานๆมาทีหนึ่งมาแต่ละทีเนี่ยมีเรื่องมาหมดเลยนะมาครั้งแรกก็ฉันฝันว่าอิสมาอินอะไรเนี่ยอา้าวมาครั้งแรกมาเจอนั่นก่อนมาเจอภรรยานาบีอสิสมาอินถามว่าอสิสมาอินไปไหนภรรยาคนแรกเนี่ยพูดจามไม่ดีไปหาริสกีข้างนอกแหละแล้วก็ครอบครัวเป็นไงลบาบากเพราะว่าอย่างงี้นะ อิบราฮมว่าเดี๋ยวถ้าอิถ้าอิสมัมาบอกว่าให้เปลี่ยนธรณีประตูอีกสักพักนึงอิบราฮิมกลับประกับอิสมายกลับบ้านอิสมัยได้ินกลินนะอ้เนเดียวจะมีคนจะมาที่บ้านบอกมีคนแก่คนหนึ่งมาอัลลอฮ์ภรรยาอร่อยจริงๆคนแก่ๆคนนะเาสั่งว่ายังไงอะ เขาสั่งบอกว่าให้เปลี่ยนธรณีประตูก็บอกนัานละพ่อฉันเขาสั่งเล้เธอเนี่ยเลิกกับฉันอันนี้ก็ร้องให้กลับบ้านไปเลยแล้วต่อมากระนี่สรุปนั้นสั้นนะนะต่อมาอีกแต่งงานใหม่อีกที่หนึ่งมามาพบกับลูกสะั้ยเหมือนกันก็นถามว่าอิสมาเอลไปไหนบอกไปหาดุสกีของ Allah. ข อ, ขอัลลอ์ขอบคุณเป็นไงอัลฮัมดุลิลลาฮ์ดีมากขอบคุณอัลล์ พยาคนที่สองนี่ดีมากเลยนะนึกถึงอลัอลอลอฮ์ตลอดเวลานี่ไงลิซาโนนดาจิรอนวกอลบุนชากินนหรำหัวใจที่นึกถึงอลัลลอ์แล้วก็ลิ้นที่ชมอลัลลอ์เนี่ยเดี๋ยวอิสมาอินมากลับมาบอกให้รักษาทรณีประตูนี้ให้ดีนะอย่าเปลี่ยนทรณีประตูเดินกลับพอนาบีอิสมาอินมาท่านั้นแหละเอ๊ะใครมาที่บ้านวันนี้มีคนหน้าตาดีอลัลลอบ์ เปียนเหมือนคนแรกเลยไม่เหมือนเป็นคนดีดีมากอักรากดีนิสัยดีเชิญเข้าบ้านฉันก็เลี้ยงพวกอาหารเลี้ยงนองเลี้ยงน้ําถามว่าไงถามว่าอิสมาอินไปไหนก็บอกเนี่ยไปหาดยุกีของอัลลอฮ์แล้วก็สั่งว่าไงก็สั่งให้รักษาทรนีประตูนี้ให้ดีนั่นแหละพ่อฉันอุทิศธรรมเนียร์นั่นไงมาแต่ละครั้งละครั้ ง, งมีปัญหาหมดเลยเพื่อจะสอนใจเราวันนี้อ พอมาครั้งที่สามนี่ยไสั่งให้เชื่อดลูกเนี่ยทีนี้พอเชื่อดลูกปาปธรรมอิสมาอินเชื่อฟังไหมเชื่อฟังนี่ไงกานซอดีกอนลวาดีนบีอิสมาอินยืนยันที่จะปฏิบัติตามคําสัญญาของอัลลอฮ์ที่มอบให้กับผ่านพ่อมหานาบีอิสมาอิลลนเราอิสลามยอมให้คุณพ่อนี่เนี่ยเชื่อดลูกและเชื่อได้ไหมไม่ต้องเชื่อไปน้องทดลองใจเท่านั้นเอง นะครับนี่ไงซอดีกันว่าดีนบีอิสมาอินเป็นคนที่อัลลอฮ์พึงพอใจและได้ชมว่าเป็นคนที่ซื่อตรงต่อสัญญานะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> การซื่อตรงต่อสัญญาเนี่ยเป็นไรนะคือว่าเป็นคุณลักษณะของมุสลินผู้ศรัทธาต่าตอววตอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตัลฮลาอัลลอฮ์ที่อธิบายนะครับเพียงคุณอ่านเองนะอธิบายอย่างนี้ ยาอายุวัฒนารีนามณูริมาตะกูลูนามาลาตะฟาลูนโอ้บัรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยทำไมพวกท่านนี่นะได้แต่พูดแต่ทำไมไม่ทำนี่ดาใครด้าพวกเราที่อ ي ม ا นต่ออัลลอฮ์ที่พูดพูดพูดแล้วไม่ทำนี่อัลลอฮ์ตำหนินะแล้วก็กาบุรมัตันอินดัลลอฮ์เป็นบาปอันใหญ่หลวงสำหรับได้แต่พูด แล้วามาได้ทำเนี่ยเป็นบาปอันใหญ่หลวงเลยทุกกลุ่มใครก็ตามจะมุสลิมมาใช่มุสลิมถูกหมดนะครับอัลลอเตือนต่อมาฮะดีษครับที่อธิบายอย่างนี้ลักษณะของคนมูนาฟิกนั้นมีอยู่สามข้อนะหนึ่งเวลาเขาพูดเขากโกหกสองเวลาเขาสัญญาเนี่ยเขาบิดพลิ้วเวลาเขาถูกไว้วางใจเขาก็ชักดาบใช่ไหม และอีกข้อหนอึ่งเวลาเขาทะเลาะกันนะนี่เป็นคนชั่วนะจะชชยเสียงดังตะโกนดังนะนั่นแหละเป็นคนมุนาฟิกนะนะครับเาครับตัวลวงว่าเอาลอดชมคนที่มีมารยาทดีกระทั้งเราก็ปรับปรุงตัวเองเอาอัคลาของนบีมูซะาเอาอัคลาของนบีอิสมาอินเอาอัคลาของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวเรานะครับ ต่อมาอายที่หาสิว่กันยามุรุอัลลฮฺบิ้ทัลาตีวะจักะว่กันอินดะรับบีมารฎียะว่กันยัมรุอัลลฮฺบิ้ทัลาตีวะจักะ ว่าการ์ณ عند ربّه مرضية الله เล่าในการพิจารณาอานนะครับคนดีเนี่ยเขาทำอะไรและนบีอิสมาอินได้สัง่งว่าการ์นายะมุรุเนี่ยนี่เล่าถึงอามันของนบีอิสมาอินให้นบีมุฮัมมัดฟังให้นบีมุฮัมมัดมาสอนพวกเราวันนี้ อามัที่ซอแรกตั้ ง, งต่อไปนี้หนึ่งอะไรครับยะมูรเขาเนี่ยได้สั่งอัลลาหูเนี่ยอัลลาหูเดิมันแปลว่าภรรยาแต่ตรงนี้แปลว่าครอบครัวในทัฟซิตอธิบายอีกนะในทัฟเซตกัชชา บ, บอกว่าอุมมาตาหูอุมม่าของนบีอิสมาอินมาพวกยุธรมพวกยุธหุมทั้งหมดที่นครมะ ก, กาเนี่ย นบีอิสมาอินอัลลอฮ์ส่งมาสอนอบรมให้เขาทําอะไรบิสซาลาไปทำอะไรให้นมาศเพร <c oughs> าะจากมนาศนี่มีมานาแล้วใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่มีเฉพาะพวกเราอัลลอฮฺอัลกุบะดีเหงียงแต่เป็นอามันคืซอซาลาที่สุดเนี่ยนมาศเนี่ยพ่อมาณตัปสีทพ่ออ่นฮะดีสพอ่ออธิบายอย่างนี้คนที่นมาศเนี่ยนะ กำลังนมาอยู่เนี่ยเขานึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยกำลังจ้องมองเขาอยู่แล้วนึกแบบนี้ป่ะต้องนึกแบบนี้เขาเรียกว่าอิฮซานอันตะบุดลอกะอันนักตาราะหูให้ท่านเนี่ยทำทำอิบดะดาเหมือนกับท่านเห็นอัลลอฮ์ฟาอิลลัมตากุนตาราะูฟาอิลนหูยกะแต่หากท่านมองไม่เห็นอัลลอฮ์ใจต้องนึก อัลลอฮฺยารอกะอัลลอทรงเห็นท่านถ้านมาดในลักษณะแบบนี้นี่นะหัวใจมันสงบอัลลอฮจ้องมองเราอยู่เนี่ยเหมือนกับคนงานจะมีเจ้านายยืนเฝ้านะทำดีแล้ทีนี้ผลบุญมาดูผลบุญผลบุญเป็นไงถูกไหมคนที่ยืนทำอิบาดาัดตาเอาเอาแค่นมาดก่อนนะอย่างเดียวนี่นะอัลลอเห็นเราเนี่ยรางวัล ที่เราจะได้รับเราจะอลัลลอฮ์จะให้ไปอยู่ในสวนสวรรค์พอเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แนอ่อัลลอฮ์กจะถามว่าอาอะไรเพิ่มอีกไหมคนที่อยู่ในสวรรค์ตอบว่าโอ้โอลัลลอฮ์ให้แค่นีนะ้มันดีพิเศษแล้วให้อะไรให้ใบหน้านี่นะ่ะอิมเออยู่ในสวนสวรรค์เรื่องเศร้า เ, เ, เรื่องทุกข์ไม่มีอลัลลอฮ์ถอดออกหมดเลย เอาอะไรอีกไมอ้อัลลอ์ให้ฉันอยู่ในสวนสวรรค์แล้วกัการฉันมาให้ตกนรกแค่นี้ฉันก็พอใจทุกอย่างแล้วเพราะว่าจบอลัลลอเ์เปิดม่านเปิดม่านปั๊บเห็นพระพักของอลัลลอฮ์ใ น, นกุรานบอกว่าคุสนาเป็นความดีวาซยาดชการเห็นพระพักของอลัลลอ์เป็นความดีที่ดีที่สุดไม่มีอะไรมาเทียบเท่า โอ้เห็นหน้าพระาภาักแหงอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะเห็นหน้าของอัลลอฮ์พระภักของอัลลอฮ์วันนี้ใจต้องนึกว่าเรากําลังนมาสยอยู่อัลลอฮ์เนี่ยมองเห็นเราแล้ววันหนึ่งต้องฟื้นขึ้นมาอยู่ในสวรรค์นู่นนะ่ะถึงจะเห็นพระภักของอัลลอฮ์สุภาณ ห, หัวตาเห็นอย่างผลบุญโอ้โหมัว่าดุลยากับอาคีรอเกี่ยวเนื่องกันรวมไปถึงอธิบายอยู่นะ คนที่เดินออกมาจากบ้านเนี่ยนะในเวลากลางคืนเช่นมกริบอิชาสุโบเขาเรียกว่าบัชบัชริลมชาชัยนจงแจ้งข่าวดีกับคนที่เดินไปมัสยิดฟิซุลามีในที่มืดมืดแสงไม่มีเทียนไม่มีใช่ไหมสว่างไม่มีบินนูติตามยามันกียามะเขาจะได้รัสมี ในวันเตียมัดที่สมบูรณ์รัศมีที่เราเดินมามัสยิดเป็นรัศมีแต่จะจะสแสดงออกเมื่อไหร่นู่นน่ะทุ่งมัสชาร์นู่นน่ะพอไปอยู่ในทุ่งมัชาร์รัศมีอิมานอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างๆเราได้มาจากไหนได้มาจากที่เราเดินมามัสยิดของอัลลอฮฺสุบไพร์ต้าลาใช่ไหมเรานึกไม่ถึงอ่ะถ้าอัลลอฮฺไม่เล่าผ่านนาบีมามัมัดเรื่องความรับแบบนี้เนี่ยเราจะนึกออกได้ยังไง ยังมีเป็นต้นนะครับฉะนักก้นนมาืนึกว่าได้อัลลอฮ์ทรงเห็นเราและเราจะเห็นอัลลอฮ์ตอนไหนนู่นน่ะตอนเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาห์อูบดัลดาบางคนเห็นเดือนละครั้ง ดีหนอยก็อาทิตย์ละครั้งพอเราเห็นแล้วมันปื้มใจสุดๆเลยนะเลาทำอย่างนี้เลอ้าวครับทีนี้นบีอิสมาอเนี่ยอบรมคนเตือนคนเรียกร้องคนสั่งคนให้ทำอะไรครับอัสซอลาให้นามาสั่งภรรยาสั่งลูกๆสั่งพี่น้องของเขาเมืองยูรุมในสนซาอุดีอาระเบียนี่นะครับให้นามา และยังไม่พออีกวัฏอากาศทำสั่งอะไรให้จ่ายอากาศอุลมามะอธิบายอย่างนี้อิบัตด้านนี้มีอยู่สองอย่างอิบัตด้านบัณฑนิด้านร่างกายด้านบอดดีกับอิบัตด้านมาลีด้านทรัพย์สมบัติเอาร่างกายมาทําอิบัตเรียกว่านามาด บางคนทําอิบัตร่านการเลยยังไม่พอยังเงิ น, งนทางธนาคารอีกสิบล้านที่สิบล้านอยู่ทําไงทําอิบาัตต่อด้านการเงินคือเอาเงินนั่นไปบริจาคในคนทางของอัลลอฮฺเรียกว่าจ่ายอะไรนะจ่ายสกาดนี่ตั้งแต่มีทีวีนี่น่ยคนตื่นตัวกันเยอะนะคุณตั้งใจนะโทรสอบโทรสา์กันมาจ้านทัชมาจะจ่ายสกาดมาห้าปีเราทําไงเราก็จ่ายนี่ิ หาปีจำได้นะป่ามีเงินเท่าไรเท่าไรจำได้หมดน่นก็จ่ายไปชาาั้นไหลายล้านอ่ะอก็จ่ายไปเพื่ออล่อยกลัวอะไรน่ะเอางั้นเอเอ า, เอ า, เอาบพิศพิลเลอร์กันใจเหนกันนะ <c oughs> <c oughs> ติดว่าจะไหลปีไม่จ่ายสักการพอมาฟังศาสนาลงกลัวงจ่ายไปเธออล่ะนี่อาล่ะาสตร์มืปีกูอ่านใช่ไหมสมัยนบีอิสมาอินอ สั่งให้นามาตและสั่งให้จ่ายอากาศจะนั้นการจ่ายอากาศที่ซะได้ทุกคนน่ะถ้าหากคนไม่มีอีมาเนซะไดาหมดหามารวมตายอ่ะเวลายังจ่ายอีกเทลาไรสาเปอร์เซอย่าลืมนะจาการเรามีสด๊อกอีกแล้วก็มีฮาดียะอีกแล้วก็มีวาคาฟอีกลต้องมีสี่รายการนะห้ัมอยู่ดีเลยทีนี้ คนที่สอนอย่างนี้นะไม่ชอบไม่ใช่เฉพาะนบีอิสมาอินอย่างเดียวนะใครเีกรับนบีมุฮัมมัดก็สอนนบีทุกคนนี่นะสอนเหมือนกันหมดแต่คุรอ่านไม่ได้เล่านี่คุรอ่านเล่านบีมุฮัมมัดว่าไงนะยะอิบัลละดีนะอามานุกูอัมฟุสะกุมวะอัลเกุมนารออบันดาผู้ที่มีอิมานเอ๋ยจงดูแลตัวเองให้ดี จะดูแลค่าอิคับวะอาฮลิกุมดูแลลูกลูกหลานหลานภรรยาของคุณให้ดีอย่าให้ตกลงไปในไฟนรกเอาอะไรมาดูแลนี่แหละ น, นามานี่แหละแล้วก็เข้าใจเรื่องอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องอีมานสามสี่ข้อนี่แหลพะพยายามพูดบ่อยๆเอานาบีสอนเอกการนามานเนี่ยฟัดดูห้าเวลาต้องทําให้ครบอย่าให้ขาด เวลาพิเศษตอนกลางคืนนบีสอนอย่างนี้รหิมัลลอหูรอจุลันขอดธอษอาต่อรอดแต่ประทานความเมตตาให้กับสามีคนหนึ่งก็มันมีนัลไลลิที่ลุกขึ้นนามาตะหันจุดฟาซลลาเมื่อนามาตแล้วก็วาไอก็รออิมรออาตาหูแล้วก็ปลุกภรรยาของเขาให้มามาันามาดด้วยพวกเราเคยทำกันไหม ก็ท ำ, ทำและทำจนลดีนะปุุกภรรยาด้วยนะ mm hmm. ฟาอินอาบัดถ้าภรรยาปฏิเสธว่าไม่ขึ้นก็ลังอร่อยนอน mm hmm. นบีบอกไม่ให้ไม่ให้ตามใจนะ mm hmm. นาบอดฟีวะฮิฮาให้เอาน้ำนี่นะพรมที่ไหนที่ใบหน้าใ mm hmm. ห้ัหยทำไมาชายน้ำจะเริ่มอเลมด้านนี้ <laughs> น้ำเนี่ยกับคนนอนมันถูกกันที่ไหนน่ะ <laughs> พอหน้ามาจะตื่นหมดเลยนี่นะักทัศสิอธิบายดีลมกับยุงเหมือนการคล้ายๆกันลมกับยุงทะเลาะกันไปฟ้องนบีสุลัยมานยุงมาฟ้องเนี่ยนบีสุลัยมานฉันเนี่ยไปหากินไปกัดหาดิสกีไม่ได้ลมมันมายุพัลมม า, ม า, มมาฉันก็บิงไปหมดเนี่ยมีสมรภูมิอาคุณรอเดี๋ยวเรียกลมมาพอดลมมายุงหนี ฉะนั้นยุ sun, lover, er ่งกับลมอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นการน้ํากับนอนอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าน้ําม้าต้องตื่นเอารถจอดไปหมดแล้วสวยมากกันเอามาใช้เรื่องศาสนาให้หมดได้ไหมธรรมยิมานของเราเนี่ยสมบูรณ์เข้มขึ้นนะครับอัห้ามดูลรื่อเหมือนกันถ้าภรรยาขึ้นนะครับแล้วก็นามานแล้วก็ปลุกสามีสามีถีบมันยังไปยุ่งกับกูกูจะนอน ทำงานน้ะให้เอาน้ําพรมที่ใบหน้าจะต้องคุยกันก่อนนะสามีที่มีศาสนานะเขาเขารู้หรอถ้าภรรยาปลุกชื่นใจน้อยไปเลยนะถ้าถ้าไม่มีภรรยาทาไงมีภรรยาจะใช่อะไรนะชายนาฬิกาปลุกมีคนโทรสามมาถามอนาฏิกามาปลุกนามาตฐานยศบาปเปล่าพขาว่าไม่บาปเราคุณกล้าทําหรือเปล่าล่ะบอกทำอาจารย์แล้วก็โกดตอเอง ควาดังนี้กดอลอลมีคนพวกเราเนี่ยอร่อยจริงๆนะถามทุกเรื่องความจริงนักการปลูกบนต้นถางก็ได้ใช่ไหมล่ะถามว่าบาปหรือไม่บาปสุนทร น, นาบีมีบาโอ้โหเล่นแ ร, นะรงนะอัมพีน้องนบีมุฮัมมัดนีนะมาสอนศาสนานาสอนใครอีกว่าอันเรอาชีรตกรรอักรบีนจงเตือนครอบครัวของท่านมาถึงญาติใกล้ชิดเนี่ย อะไรนะให้ห่างไกลาจากไฟนะรกอัลลอฮุอะลัยบดุนบีขึ้นบนภูเขาซอฟาเรียกญาติพี่น้องมากมากันมากวิ่งกันมาเลยพอมาถึงแนบีพูดงี้กูลูละอิละฮิละลอตุฟลิฮูอา้าพูดคํานี้ละอิละฮิละลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตุฟลิฮูคุณจะได้รับความสําเร็จอบูจ่านะบุแล้วคว่านี่เรียกมาว่าแค่นี้น่ะ โม่หมัดเลวสุดๆคุณน่ะเสียเวลาทํางานทัานกำลังทำงานอยู่แตเรียกมาฟังแค่นี้เองเลยน บ, บีวกนี้แหละจะพาไม่ให้คุณตกนรกนะคําวัน ล, วละอิลละอิละ ล, ะละเนี่ยโอโ้หเห้ไหมน บ, บีถูกตําหนิจากญาติพี่น้องตัวเองท่งานกรอ่านอัลลอฮฺประทานลงมาอินนาชาเนากาวันอับตัดใครที่ขวาง น, า บ, ง บ, นาบีระวังนะใครที่รู้ศัตรูกับนบีระวังนะ ถูกตัดขาดจากอัลลอฮฺสุภาพ น, นถูกบรักัดถูกตัดขาดออกไม่มีบรักัดในชีวิตนะฉจนัท่านอย่าขวางซุนนะนาบีอย่าขวางนาบีวันนี้เราขวางซุนนะนาบีคนสมัยก่อนขวางนาบีตรงๆเลยท่านอัลลอฮโกรธไหนไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับวักสุดท้ายว่ากันอินดรบบิฮีมารดีย และอิสมาอินเป็นที่ใดนะเป็นที่โปรดปรานมัตบียาเนี่ยโรดริยาเนี่ยเป็นที่โปรดปรานในตัฟซีตอธิบายนะคำว่าโปรดปรานเนี่ยนะเป็นภาษาชมที่ดีที่สุดชมใครก็ชมเถอะการการใช้ภาษาต้องเป็นนี่ไงขาสอนอัลลอฮ์ต้องการจะสอนมนุษย์เนี่ยให้ใช้ภาษาให้เป็น อัลลอฮ์ชมนบีมุฮัมมัดก็ชมใช่ไหมชมซาวะบา้าชมไหมชมอย่างเนี้รยรอทยลลาอานทุมนี่เห็นไหมแปลว่าอะไรนะอัลลอฮ์ชมโปรดปรานโอ้ข่าวสาวว่าโปรดปรานนี่เป็นคําชมที่ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนบีอิสมาอินอันลลอฮ์ชมว่าวากานาอินดารอบบีมารดิยาและอิสมาอีนนั้นเป็นที่โปรดปรานแก่พระผู้อภิบาลของเขา เราก็ชมลูกเราวนะลูกคนโปรดใช่ไหมลูกคนโปรดน้ำฉันแสดง ว, ว่าโอ้โหรักสุดสุดฉะนั้นภาษาสำคัญนะครับอัลลอฮฺหวานหุมลลหหว่าเราดูอันนู้าวบ้านนาบีเนี่ยอลัลลอฮ์โปรดหมดเลยแล้วก็โปรดคำสั่งอลัลลอฮ์และอลัลลอฮ์ก็โปรดเพราะเขาเอาคำสั่งของอัลลอฮ์มาใช้ในชีวิตประจาวันในตันสินอธิบายว่า นิฮายตุลมดะเลิอันั่นมะรดอินดอัลลอฮ์คือผู้เอาชนะทุกการกระทำองเลัดดวยความอัลลอฮใช้คำว่ามะรดรอรอดิยาเนี่ยเป็นคำโปรดปรานนะครับเป็นคำชมพูดชมจะยกย่องให้เกียรติดีที่สุดนะครับฉะนั้นเราก็ชมลูกของเราว่าไงนะลูกคนโปรนะครับภรรยาโปรดได้ไหม พระยาสุดที่รักก็แล้วกันนะครับไปนอนเอา้าอายาที่ห้าสิหกอายที่อายาที่ห้าสิห้าเลืมนะอิบะดามีสองอย่างนะอิบะดาด้านอะไรนะด้านร่างกายกับอิบะดาด้านทรัพสมบัติอ่าอยา่ยาอยา่าอย่าสะสมทรัพย์ได้ไหมสะสมทรัพย์ได้แต่สะสมทรัพย์เพื่อมาดูแลงานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาอู ว, วาตาอายาที่ห้าสิหกห้าสิบหนะครับ ว่าทุกครั้งใِขีต้าบีอิ Allah, ดริสอินนุเขาเِ็นศิษย์ดีของนบีอัลลอฮ์ที่ชมนบีหมดเลยนะคนที่สามนบีอิดริสว่าทุกครั้งในขีต้าบีอิดริสมุฮัมมัดเอ๋ยจงพูดจงเล่าเรื่องราวของอิดริสนะครับ ตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อินนหูกานาสิ ด, ดีกอนนาบียาแท้จริงอิดริสนั้นเป็นผู้สิ ด, ดีกแปลว่าซื่อตรงยิง่งเป็นนบีที่ซื่อตรงยิง่งถาว่านาบีอิดริสเนี่ยเป็นนบีคนที่เท่าไหร่อ่านจากตัฟซีดหลายๆเล่มเป็นนบีระหว่างนาบีนัวกับนบีอาดัม นบีอาดัมกับนบีนัวนะชื่อนบีอิดริเป็นนบีคนที่สองหลังจากนบีอาดัมห่างกับนบีอาดัมพันปีและห่างกันนบีนัวอีกพันปีโู้โคนก่อนในทางว่านบีมาน้อยเขาเป็นคนดีมุฮัมมัดกับนบีมูซาเนี่ยถลายนะอิซาในห้าร้อยปีแต่ยังวันวัยขึ้นแต่ยังวันเลวเยอะขึ้นก็ส่งนบีมา อย่างนี้เป็นต้นแตนั่งอย่าลืมการที่อลัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยอัลลอฮ์ เ, เมตานะพูดเตือนเรื่องอะไรเตือนให้นึกถึงอลัลลอฮ์นึกถึงวันอาคีรออย่าลืมนะนบีทั้งหมดที่มาเนี่ยมาพูดตักเตือนอย่าให้ลืมโลกอาคีรออย่าให้ลืมวันตอบแทนในโลกอาคีรอทุกนบีมาเตือนเนี่ยดึก โ, โลกอาคีรอทุกการทุกคนทีนี้ นบีอิดรลิสเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะตามสิ้นได้ความรู้นะข้อที่หนึ่งนบีอิดรลิสเนี่ยเป็นนบีคนที่สองหลังจากนบีอาดัมก่อนนบีนัวอัลัยฮิสลามข้อที่สองข้อที่สามนบีอิดรลิสเนี่ยได้รับศารสามสิบฉบับมาจากอัลลอฮ์ฉบับและมีกี่ใบไม่รู้นะตั้งเสียจะพามีอยู่สามสิบฉบับนะครับ ของเราแต่กุณอานเล่มนี้มัน1นึ่งร้อยสูรอเยอะเนาะใหญ่ที่สุดนะนบีอิดริสแค่30มสามสิบอะไรนะสามสิบฉบับเองนะต่อมาครับข้อที่4วิชาคณิตศาสตร์ mathematics นี่นะถูกประทานลงมาในสมัยของนบีอิดริสคิดคำนวนอัลลอฮฺอักลอฮ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเท่าไหรสองบวกสองเท่าไหรยิบรีนลงมาสอนเลยอัลลอฮฺอักบาร์นันความรู้มาจากอัลลอฮฺทั้งหมดเรื่องที่ห้าอัลลอฮฺสอนให้ยิบรีนมาสอนวิชาการเย็บผ้าอ่าอิบราฮิมเนี่ยเย็บผ้าเนี่ยสมัยก่อนหน้าไนาบีอินเดริสเนี่ยเอาหนังสัตว์มาปิดอย่างเดียวเอาหนังสัตว์มาคุมคุมเย็บไม่เป็น ในสมัยนบีอิสลาฮิลส่งในยิบรีตมาสอนวิธีการเย็บนะเย็บผ้าการใช้เข็มนบีอิสลาสเนี่ยทุกครั้งที่เย็บนี่นะจะอ่านว่าไงรู้ไหมดางดาวที่อ่านว่าไงสุบฮานลลอเย็บทิงสุบฮานลลอเย็บทิงสุบฮานละลอเย็บที้สุบฮานลลอนี่ไงที่อัลลอฮ์กล่าวในช่อมังกะพิรุกุลอ่านว่าอินนฮูสิ ด, ดีคนถ้าเป็นคนที่อะไรนะ อโลเป็นคนที่ซื่อตรงมากเลยจะนั้นทุกครั้งที่เย็บเย็บผ้าที่น่งสุพารณอโลสุพารณอโลเนี่ยงานนี่แม่บ้านต่อเอาไปใชยเยอะๆนะต่อมาครับข้อที่หวิธีการช่างตวงแล้วก็เครื่องเครียวอาราดนี่นะการช่างตวงเนี่ยเกิดในสมัยนั้น ตาชงตาช่างก็เริ่มก็สมัยนั่นจะช่างแบบไหนโบรุณแล้วนะแต่มีการช่างมีการตวงแล้วก็สร้างอะไรนะเครื่องมือในการช่างตวงด้วยในสมัยนบีอิดเดลิสอะลัยฮุสสลามข้อที่7นะครับในสมัยนบีอิดเดลิสเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงนบีทรงท่านจิบรีเนี่ยมาสอนการใช้อาวุธ อาอาวุธเอาไว้ทําสงครามปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺสุบานาอูบะตาลาอัลลอฮฺอัลกุบะดีมากๆเลยนะอ่ะทีนี้ในตัฟซิดนะอธิบายบอกว่านักพีเตอร์อนะอธิบายบอกว่าอายุของนบีอิดริสเนี่ยสามร้อยกว่าปีสามร้อยยี่สิบสี่สิบพวกเนี้ยอายุเยอะหนะึ่งสามร้อยนะอัลลอฮฺอักบะดแต่น้อยกว่นนานบีอาดัม อไอน้นวดสินวเท่าไรเ<อ>ผยแพ่อย่างเดียวนะก้าเราสิบปีอัลลอฮฺอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลอฮอัลฮัมดุลิลลอ a n a a s เป็นนบีที่ซื่อตรงยิ่งถามว่านบีอิสน่ไปอยู่ที่ไหนกูบโบอยู่ไหนเขาหากันไม่เจอก็เลยอุลมามเขาแนะนาบอกอย่างนี้นบีอิลสเนี่ยถูกอะไรนะ ถูกพาขึ้นไปอยู่บนชั้นฟ้าเหมือนนบีอะไรอิสราเอาลฮิสลามทีนี้วันที่นบีขึ้นเมียรอชไปพบนบีอิดริสอยู่ในชั้นฟ้าชั้นที่สเอาละเรื่องของนบีอิดริสที่ว่าถูกยกไปบนชั้นฟ้าแบบนบีอีสาไปอยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่4ี่งนบีมุมมัดไปพบนะสองเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเล่าของบันีอิสราอีล ในคุรานไม่มีในหะดีสไม่มีจุดนั้นเมื่อคุรานไม่เล่านาบีไม่เล่าเราก็ไม่เล่าตามอ่านตามนาบีแต่ไอสองเรื่องอที่ว่าไรนะถูกยกไปแล้วไปอยู่ชั้นฟ้าชั้นที่สีนี่นี่เป็นเรื่องเล่าของพวกบานี้อิสลีมรือิสา อ, อสามนียาต้องตายก่อนเดี๋ยวก็ลงมาลงมาตาอีก น บ, บีอิสซาจะต้องลงมาแล้วมาเผยแผ่ศาสนาอตอนนี้ยังยังลงยังไม่ลอกมาดำอัดยังไม่ลงขณะกําลังรอกันอยู่เนี่ยรอน บ, บีอีสซาในอิสลามนะส่วนน บ, บีอิดเดริสเนี่ยในตัฟซิดอิบนุกซิดอธิบายเบาหานะการยกน บ, บีอิดเริสขึ้นไปไปอยู่บนช า, านไฟนี่เป็นเรื่องเล่าของบนีของอิสรออลมุญาตหมดเลย ไม่มีในขัดิสุทธานนดีท่านซากุนเฉยๆไม่ต้องไปคุยแล้วไม่มีใครคุยนะในอินเทอร์เน็ตนะไม่มีคุยนะคุยเฉพาะนบีอิสาอะลัยฮิสสลาหอัต่อมาอาญาสุดท้ายวารฟะนะฮูมากานันอาลีและเราได้ยกย่องโอ้โหอยู่ในตำแหน่งสถานที่เนี่ยคำว่ามะกานันแปลว่าสถานที่ที่สูงก็เลยตีความว่า ยกน บ, บีอิสาขึ้นไปอยู่บนชัน้าแต่ตัอสิบัติี้ผมก็หานะภาษาอูรดูภาษาอังกฤษไม่มีคำอธิบายเลยเงียบหมดเลยเขาบอกเป็นเรื่องเล่าของพวกบันนีอิสรโอลอินแตหมดแต่เราุ็อ่านว่วไงนะวารฟะน้าฮุเราได้ยกมากานั้นสถานที่อลียันประว่าสูงส่งฉะนั้น ความหมายบางคนอธิบายว่ารูฟี่อามากานั้นถูกยกสู่ชั้นฟ้าเหมือนนบีอีสานบยกนบีอิจลิซึ่งอยู่ชั้นฟ้าไม่มีในหะดีษอธิบายไว้แต่เป็นคํากล่าวของพวกอิสรอเอลีญาตในตับซิดอัลฮะดุลบายานเป็นภาษาอูรูอธิบายไว้มานาบุลอาสันยอมรับฮะดีษไอตับซิดเล่มนี้ทำมันหรือจานั้นเราก็เชื่อว่านบีอิจลิเป็นคนดีอันนี้อันหนึ่งอะไรนะ เยบ็บการเยบ็บผ่านนบีอิรีสเรื่องการชั่งผ่านอิรีสช้ปกะกองประการฉันอิร리สมดแล้วก็อะไรนะอีอย่างหนึ่งอะไรนะอาวุธที่จะปกป้องาศาสนาของอัลล อ, อ์ก็เกิดในสมัยนบีอิรีสแล้วอายุเท่าไรสามร้อกว่าปีอัลฮัมดุลิลลาห์ทำงานาศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งหมดสุภานักัลลอฮมาบอฮัมดีกัสเวลลาลาลาห์อิลลาอันทีอัสตัลกูรุกาวะตูบุลล